ทำลายเด็กหลอดแก้วเป็นบาปหรือไม่ถามการทำเด็กหลอดแก้วมีโอกาสดูได้ง่ายว่าเด็กออกมาจะมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าไม่ชอบก็ทิ้งไปการเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาแบบนี้ถือว่าเป็นฆ่ามนุษย์หรือยังตอบ หรือว่าเป็นการฆ่ามนุษย์ครับทางพุทธเราไม่ได้เริ่มนับความเป็นมนุษย์ตอนเด็กคลอดออกมาร้องไห้ให้ฟังแต่นับความเป็นมนุษย์ตามภาวะความเป็นจริงทางธรรมชาตินั่นคือนับแต่วินาทีแรกที่สามารถตั้งอยู่ในคันมารดาได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่มีวิญญาณอย่างลงในคันมารดานามรูปก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ ซึ่งนามรูปในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นว่าเจริญขึ้นเป็นตัวอ่อนนั่นแหละนั่นแปลว่าทันทีที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่สำเร็จตอนนั้นมีวิญญาณมาแล้วนี่เป็นความจริงหากใครสามารถย้อนระลึกกลับไปสู่ภาวะก่อนเกิดก็จะทราบว่าความรู้สึกครึ่งพวางครึ่งนึกคิดได้นั้น ปรากฏตั้งแต่อยู่ในคันมานดาแล้วหาใช่เพิ่งมารู้สึกนึกคิดแบบแจ่มชัดแล้วรู้ความหลังจากคลอดดังที่เข้าใจกันไม่ขอให้คำหนึ่งว่าเด็กหลอดแก้วมิใช่สิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นเหมือนเกาะ อ, อิดถือปูนที่ปราศจากวิญญาณเราแค่เชิญใครคนหนึ่งมาเกิดในที่ที่ตรับเตรียมไว้ เมื่อเขามาตามคำเชิญแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำลายโอกาสเจริญขึ้นเป็นมนุษย์เต็มตัวแต่อย่างใด